<Book> 44ไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนที่นี่มีดิสโกเทกไหมฟินนิสต์เด็ดิสโกเทกค่ที่นี่มีไนท์คลับไหม ฟินน e สต์ t ดนอัดคลับที่นี่มีผับไหมฟินน์สต์เดนพับที่นีเย็นนีที่โรงละครมีอะไร v a าเช e ย på t e a t ที่ i k v ต l ีค e n n ล็นนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรว่าอะไรเด็กโป๊ะคิโน่ในคเวเย็นนีที่โทรทัศน์มีอะไรดู ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมคะอะเตีกไทยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมคะอะเิตตอียนยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะอะเดเีกไฟตบอ ดิฉันต้องการนั่งข้างหลังฉันอ i ากนั่งอย e ่ด้านหลังดิฉันต้องการนั่งตรงกลางฉันอยากนั่งอย n ่ตรงกล n งด้องการนั่งข้างหน้าฉัานั่ง้าหน้าคุณช่วยแนะนำดดคุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมั การแสดงเริ่มเมื่อไร่าหร่คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไมคุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหมคุยซื้อบัตรให้ดิฉันไมคว้อบนไ้หมคซ้อบนไหมควอบัตริฉันได้ไหมคุวนี้มีุซินมคยิฉนไดหมคุยซื้อบัิฉันได้ไหมอั แถวนี้มีสระว่ายน้าในร่มไหมฟินนมห้องน้ม